ในสังยุตตานิายมหาวาระวัฏมีอีกสองสูตรที่มีข้อความเหมือนอย่างนี้แต่ต่างเพียงเปลี่ยนข้อธรรมจากอุปาทานขันห้าเป็นอย่างอื่นคือโสตาสูตรที่หนึ่งเปลี่ยนเป็นอินทรียห้าคือศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาและโสตปัญสูตรเปลี่ยนเป็นอินทรียหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจในจูลสัจกสูตร มัจฉมนีกายมูลปันนาศัจการิครนได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าด้วยเหตุผลเพียงไรหนอสาวกของท่านพระโคดมผู้เจริญจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ทำตามคำสอนปฏิบัติตรงต่อโอวาทข้ามวิจิกิจฉาปราศจากความเคลือบแคลงใจถึงความแกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อใครอื่นในคำสอนของพระาศาสดาซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้หมายถึงพระโสดาบัน